มงคลชีวิตมงคลที่28ความเป็นผู้ว่างง่ายโสวะจัดสตาเอตามังคัลมุตตมังความเป็นผู้ว่างง่าย เพราะเป็นผู้เชื่อฟังโดยเคารพชื่อว่าสุวจัจจ์การกระทาของผู้ว่างง่ายชื่อว่าโสวจัดสะาความกระทาให้เป็นผู้ว่างง่ายชื่อว่าโสวจัดสตาลักษณะความว่างง่าย เื่อถูกผู้ปรารถนาดีว่ากล่าวอยู่โดยธรรมก็ไม่ฟุ้งซ่านหรือนิ่งงันหรือโกรธอาฆาตแค้นมีความเคารพเอื้อเฟื้อและมีใจตกลงต่ำแล้วเปล่งถ้อยคำว่าดีละขอรับดังนี้ชื่อว่าโสวัดจัดสตาหรือความว่างง่ายผู้ใดอดทนต่อคำพร่ำสอน และปฏิบัติตามด้วยความเคารพชื่อว่าผู้ว่าง่ายทำที่สนับสนุนให้เป็นคนว่าง่าย 1. ศรัทธาความเลื่อมใส 2. อิริโอตปะความละอายและความกลัวบา 3. อัโทะความเป็นผู้ไม่โกรธ 4. เมตตาความปรารถนาดี 5. ขันติความอดทน 6. คาระวะความเป็นผู้มีความเคารพ 7. ปัญญาความรู้ถึงผลดีผลเสียของความว่าง่ายว่ายาก ความเป็นผู้ว่างง่ายจัดเป็นมงคลเพราะ 1. ทําทำให้มีจิตพร้อมสำหรับคุณธรรมเบื้องสูง 2. ทํทำให้ได้รับความรู้ศิลปะวิทยาสิ้นเชิงไม่มีปิดบงัง 3. ทํทำให้เป็นที่รักที่เมตตาของผู้ปรารถนาดีทั้งหลาย 4. ทำให้ไม่เป็นคนกระด้างและกล้ายอมรับกับความเป็นจริง